ให้พี่สาวดูจนทั่วๆก็ไม่เห็นว่ามันจะบวมหรืออักเสบอะไรมีแต่ปวดเฉยๆสักพักหลานสาวก็เปิดประตูออกมาจากในห้องนอนเมื่อเธอเห็นพี่สาวกำลังพยุงผมเธอก็พูดอีกว่านะานาตัวเมื่อวานยังเกาะขาน้าอยู่เลยนั่นไงนั่นไงพี่สาวก็ต่อว่าหลานยังไม่เลิอกอั้น้าอีกเดี๋ยวเธอก็หนูเห็นจริงๆนี่มันสัตว์ประหลาดในการ์ตูนเลยค่ะแม่ตอนแรกผมก็คิดว่าหลานสาวชอบอั้เป็นเรื่องธรรมดา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 หากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ